ในปรับสิยะสูตรนี่นะท่านบอกว่าอันหนึ่งบุคคลไม่รู้จักห้ามจักขุนศีไปในรูปทั้งหลายเขาไม่เห็นโทษทุกจอมเกิดแก่เขาถ้าเขาไม่รู้จักห้ามคานนะคานชิวหินศีไปในรถต่างๆเขาย่อมเพลิดเพลินไปในรถด้วยตันหาด้วยกำหนัดในรถความคิดที่จะกำจัดความทุกย่อมไม่มีแก่เขานี่นะฮะ หรือว่าถ้าเขาไม่รู้จักห้ามมนินทรีย์หรือใจเนี่ยไปในธรรมารมม์ต่างๆเนี่ยนะทุกก็ย่อมเกิดจากเขาก็ทุกย่อมเกิดแต่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรเนี่ยบอกไว้เลยว่าให้ห้ามนะให้ห้ามไม่มีตัวตนนะครับเขาไม่พระองค์ไม่ได้บอกเลยว่าทำอย่างนี้จะเป็นตัวตนทําไม่ได้ไม่ใช่เลยท่านบอกให้ห้ามเลยนะจากขุนศีเนี่ยตาเนี่ยสมควรดูไหมก่อนอื่นต้องสติมาก่อนเลยนะว่าสิ่งนี้สมควรดูไหม นะศาสตกาสารบัญชาน่าต้องมาก่อนเลยนะฮะเติรถ้าหากว่าสติมาทันนะไม่สมควรดูก็อย่าดูแต่ถ้ามันเผชิญกำำํามจําเป็นต้องดูนะก็ต้องเข้าไปในเรื่องโยนิโสมนัสิการล้นะเพราะก็ไปสังวรในในลักษณะโยนิโสมนสิการท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรนั้นนะ่ะจัดการกับมันได้สองอย่างหนึ่งจัดการด้วยสติก่อนนะถ้าสติยังไม่ไหวนะครับก็ต้องโยนิโสมนสิการ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นธรรมกรรมขาวกรรมดำเนี่ยเขาจะบอกเราเลยว่าควรดูไหมควรได้ยินไหมนะควรทำไหมเนี่ยสติเขาจะมาบอกก่อนเลยนี่เป็นการสังวรอันดับแรกเลยนะครับเมื่อต่อไปนี่นะฮะถ้าหากว่ามันเลยเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเป็นอะไรฮะโยนิโสมนสิการ ยโยนิโสมัธิการนี่ก็ต้องคนที่จะต้องอรู้จักการเจริญสมถะพอสมควรทีเดียวนะฮะถ้าคนไม่รู้จักการเจริญสมถะนะฮะไม่มีทางครับโยโนิโสมไม่เป็นนะครับถ้าท่านสมท่านเห็นปฏิฆะหรือสุภาษณิมิตนี่นะฮะจิตต้องเป็นไม่ไม่โทสะ ก, ก็โลภะนี่ใช่ไหมถ้าท่านไม่เอาเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอา ท่านไม่เอาเรื่องของสมถ t h เข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็โยนิโสไม่เป็นถ้าเห็นอะไรของผู้สวยงามๆนี่นะะจิตก็ต้องเป็นโลภะไปแล้วแต่ท่านโยนิโสไปในเรื่องของปฏิกูลนะเออก็จะทําให้อ่าเป็นการสังวร อ, อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสังวรนี่มีสองขั้นท่านกล่าวไว้เลยนะในปาราสเริยะอาาัตถะไพเราะมากแนละ้วไปอ่านดูนะครับท่านบอกว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนโดยแท้ท่านว่ายอย่างนั้นเลยนะครับ นั้นถ้าผู้ที่มีอินทรีย์สังวรหรือมีสติเนี่ยนะอันที่จริงอารมณ์บอกเราหมดแล้วว่าอันนั้นเป็นเครื่องหมายของอะไรต่อไปใช่ไหมเพราะว่าอาภิชาจะเกิดในโสภานิมิตคือสำคัญในอารมณ์นั้นว่างามโทมนัตจะเกิดในปฏิฆานิมิตอารมณ์นั้นหน้าขัดเคืองถ้าไม่พิจารณาก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ท่านอารมณ์เนี่ยนะบอกเลยถ้าโสภณิมิตอันนั้นเนี่ยควรจะตามมาด้วยอะไรใช่ัหมว่าอารมณ์เนี่ยสุดยอดของอารมณ์นี้ทำให้เราทำบาปได้ขนาดไหนถ้าในแง่อภิชานะในแง่ราคาถ้ามันกำเริบขึ้นกำเริบขึ้นถ้าในด้านโทรศัพท์เมื่อเราเห็นแล้วไม่ชอบนะที่สุดเนี่ยจะนำไปสู่อะไรนะ ไ, รไปนำสู่กายทุจริญหรือวจีทุจริตหรือบาปอากุศลอันอื่นๆ อ, อ, อีกก็เรา ดูจากอารมณ์ก็สามารถมานักิการได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้น น, นนะก็หวังอย่างเดียวว่าคงไม่จุติในตอนนั้นใช่ไหมเพราะถ้าจุติในตอนนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้คติสองคือนรกกับเดรชาน น, นนะถ้าถือโดยอภิชากับโถมนัทเพราะฉะนั้นโอตต ป, ปะอันนี้ต้องมีเป็นก่อนนะว่าอินทรีสังวรที่ผู้สารวมได้นะฮีริโอตตะ ป, ปะเป็นเหตุใกล้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 หิริก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฮิริโอต ป, ปะนี้จะช่วยทำให้อินทรีสังวรของเราเนี่ยดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นมันมนสิการเอาไว้บ่อยๆเถอะอันนั่นแหละเป็นอินทรีสังวรอย่าลืมนะฮิริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้ของอินทรีสังวรเพราะตัวอินทรีสังวรเป็นชื่อของสติสตินี่หมายถึงรู้คติแห่งธรรมทั้งปวง ทั้งทำที่มีโทษทั้งทำที่ไม่มีโทษทั้งทำดำทำขาวนะวิบากแห่งทำดำทำขาวเป็นต้นเนสติเนจะรู้แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าสักไปว่าเออเนี่ยสีแล้วก็พอเรียกว่าเชื่อว่ามีสติสังวรแล้วไม่พอมันสตินั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเระลึกถึงกุศลกรรมบทและ อกุศลกรร ม, มบดเป็นต้นเพราะการถือโดยสุภานิมิตนะจะล่วงกรร ม, มบดข้อใดได้บ้างในระยะยาวเนี่ยนะถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตจะล่วงอากุศลกรร ม, มบดอะไรบ้างในระยะยาวเราต้องฝึกคํานวณลักษณะนี้เนี่ยนะเพราะถ้าล่วงอกุศลกรร ม, มบดแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เป็นแน่ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้าเป็นแน่เนี่ยนะ ทำลายประโยชน์ทั้งปวงของเราทั้งหมดอันผู้ที่หมันและลึกได้แบบนี้นั่นแหละเรียกว่ามีสติเนี่ยนะมีสตินั้นความเป็นพหูสูดนั่นแหละช่วยในด้านการมีสติเพราะฉะนนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้โทษของการปล่อยตาให้สอดสายหารูปอันเป็นที่รักเนี่ยนะปล่อยหูไปหาเสียงที่ไพเราะสนอสโอ ท, ที่เราต้องการถ้าไม่รู้ทุกรู้โทษนี่ก็นับว่าอันตรายมากเนี่ยนะอันตรายต่ออะไรรู้ไหม อันตรายต่อพรหมจันทร์อันตรายต่อไต ร, ตตรสิกขาของเราไตรสิกขานี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เราควรรับจากพระพุทธเจ้าพอเราไปเพลอปล่อยทวาเรเหล่านี้นะสิกขาสามเสียหายหมดในโคปาลปะกาศสูตรนั้นกล่าวอินตาหูจมูกลิ้นกายใจประดุดแผลอนนะจะต้องรักษาประดุดคนปิดแผลท่านบอกว่านายโคบาลผู้โง่เขาเวลาโคมีแผลก็ไม่ยอม ปิดแผลให้โคเพราะฉะนั้นพวกมแมลงวันก็มาไต่ตอมแล้วก็ปล่อยไ ข, ข่้างก็คือไข่แมลงวันเนี่ยใส่ไปแผลนอนก็เริ่มนะไอไข่อันนั้นเนี่ยกลายเป็นนอนมันก็ชอนชัยไปเรื่อยโคก็ถึงความเสียหายหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะออกเป็นน้นํานมได้ในที่สุดโคนั้นก็พร้อมในที่สุดโคก็ตายเขาก็เสื่อมจากปัญจโค ร, รถฉันใด ผู้ที่ไม่สามารถรู้จักติดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะโดยที่ห้ามบาปอกุศลให้เข้ามาแต่ทวารเหล่านี้คนเหล่านั้นก็จะเสื่อมจากเบนจะ ร, รมหรือธรรมขันห้าธรรมขันห้าก็คือศีน ส, สมาธิตัญญาวิมุตติยานุทัศนธรรมะห้าอย่างนี้เรียกว่าธรรมขันห้ากองแห่งธรรมะห้าประการ อันอินทรีสังวรนี้ก็สาคัญส่วนความเพียร น, น, นะนะตะบะที่เรียกว่าความเพียรก็สาคัญเพราะว่าตัวความเพียรอันนี้เป็นตัวกาจัดบาปแล้วก็เป็นตัวเพิ่มพูนบุญะ น, นะถ้าหากว่าผู้ที่มีอินทรีสังวรเนี่ยนะรับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเนี่ยนะแสดงว่ากรรมฐานไหนอ่อนอะไรอ่อนกายานุปัสนาหรืออสุภกรรมฐานอ่อน ถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตนี่อะไรอ่อนเมตตาอ่อนนี่นะเมตตาอ่อนหรือเวทนานุปสนานี่อ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจากอารมณ์เนี่ยบอกได้เลยว่าในที่สุดจะล่วงไปสู่อะไรแล้วก็อ่อนในเรื่องอะไรกรรมฐานอะไรไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักไตรครนูนักพิจารณามากๆก็จะเห็นเลยว่าอินทรีสังวรกับความเพียรนั้นเป็นตบะที่เป็นมงคลจริงๆเป็นเหตุแห่งความเจริญ เพราะว่าคุณธรรมชัน้นอินทรียสังวรตะบะตัวนี้เนี่ยแปลง่ายๆหมายถึงจตุปาริสุทิสินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้อย่างนี้จตุปาริสุทิศินดีใช่ไหมเพราะว่าสติสัมภชัญญะ เ, เ, เป็นอาหารของอินทรียสังวรอินทรียสังวรเป็นอาหารของสุจริสามสุจริสามเป็นอาหารของสติประฐานสี่สติประธานสี่เป็นอาหารของพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดเป็นอาหารของวิชาแล วิมุเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรตัวนี้ก็เท่ากับกล่าวสุดจริต3หรือจตุ ป, ปาริสุทิสินเรียบร้อยแล้วทีวนี้มาดูว่าเมื่อมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้เข้าก็ประพฤติพรหมจรรย์นั่นะแต่ถ้าศัพท์ว่าพรหมจรรย์นะโดยศัพท์นี่หมายถึงเมถุนวิรัตก็มีหมายถึงสมณธรรมก็มีหมายถึงศาสนาก็มีหมายถึงอริยมรรคก็มีพรหมจรรย์นี่มีอยู่4ความหมาย1เมถุนวิรัติสอง สมณิธรรม 3, สามศาสนาสี่อริยมรรคข้อแรกนะพรหมจรรย์ที่หมายถึงเมทุนวิรัติท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เหมือนคําว่าละเมถุนวิรัตเป็นพรหมจรรยอย่างในที่นี้หลายท่านก็เป็นพรหมจรรยบุคคลใช่ไหมเพราะสมาทานอุโบสถศีนนายมอ้นสมาทานอุโบสถศีนก็เป็นพรหมจารีบุคคลประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันอันพรหมจรรยหรือประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงก็ศีลแปดนั่นแหละเท่านั้น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 ถ้ากําลังพูดถึงโทษของบาปอากุศลนะชื่อว่าสอนไตรสิกขาอยู่ไหมสอนอะไรเป็นตัวละบาปอากุศลล่ะก็คือตัวไตรสิกขาตัวที่ศีลที่จิตอธิ ป, ปัญญานั่นแหละเป็นตัวทําลายบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายส่วนอีกในหนึ่งมักเรียกว่าพรหมจันทร์เช่นคําว่าดูก่อนภิกษุอริยมักมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เป็นพรหมจรรย์นีนะเราั้นอริยมรรคเป็นพรหมจรรย์ส่วนในที่นี้ในที่นี้ในที่ไหนในมงคลสาสบแปดเนี่ยนะคะว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงหมายถึงเมถุนวิรัตสมณะธรรมาศาสนาอริยมรรคไม่ต้องเพราะอริยมรรคอยู่ในหัวข้อว่าอริยสัจจานัศนังเพราะว่ามรรคนี่สงเคราะด้วยมงคลข้อต่อไปข้างหน้าที่นี้ คำว่าเมถุนวิรัตสมณธรรมศาสนาเนี่ยนะที่เป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้ประสบผลวิเศษนานาประการชั้นสู ง, สงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทั้งสมณธรรมนะสมณธรรมเนี่ยหรือศาสนาธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยทำให้ได้รับคุณธรรมชั้นสูงยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะในที่สุดก็สามารถทาที่สุดแห่งวัตรทุกได้ัน การประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็นับว่าเป็นมงคลในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอดีตชาตินางวิสาขาเนี่ยนะที่เป็นพระราชชธิดาของพระเจ้ากิงกิเนี่ยนะนางรักษาโกมารีพรหมจรรย์อยู่สองหมืปีเนี่ยนะเรียกว่ารักษาศีลแปดหรือรักษาศีลหหรือก็ได้เนี่ยนะหรือรักษาศีลข้องดเว้นจาก คือท่านไม่มีคู่เนี่ยนะไม่มีคู่ครองอยู่สอง0 0ื่ปีก็คือแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าไม่แต่งงานตลอดชีวิตนั่นก็ลูกของพระเจ้ากิงกิทั้งหมดเนี่ยนะประพฤติโกมารีพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยเนั่นนะอดีตชาติของพนางโคตมีอดีตชาติของนางอุบลวรรณเทรีเป็นต้นเนี่ยนะพนางเขมาทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มาก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 โกมานปัญหาชื่อว่าอริยสัจจะเนี่ย น, นะอริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนั้นพระองตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุล่วงทุกข์ทั้งมวลในสังสารวัฏถ้าเห็นทุกขสัจนี่เห็นว่าอย่างไงปีละนะเบียดเปียนถ้าเห็นสมุทัยสัจอายุหานะนำเกิดถ้าเห็นนิโรสัจจะนิสาระนะเพราะอัฏฐาว่านำออกไม่ใช่ สลัดออกคือสภาวะของนิโรธเนี่ยสลัดออกส่วนอริยมรคนี้เป็น <Yeah. S 1> นิยานิกะคือนาออกตัวตัวอริยมรคนี่เป็นตัวที่นำออกตัวนิสรณะเนี่ยเป็นสภาพที่สลัดออกตัวที่สลัดออกกับตัวที่นำออกนี่โคลนตัวที่นำออกนั้นหมายถึงอริยมร์ตัวที่สลัดออกเป็นชื่อของพระนิพพานนะอันทาเห็นได้แบบนั้นก็นับว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไรหนอเราจะลืมตาอย่างนี้แล้วเบียดเบียนหนอปีละนัดโถอั น, นี้นโปรกรพร้อมหรอย่างลืมตาปั๊บก็ปีละนัดโถเลยทุกขษาสัททั้งนั้นเละครับนั่งอยู่เนี่ยสาธขุขอให้จริงอย่างที่ว่าเถอะทุกขศาสัทจริงครับทุกขศาสัทยังไงเนียทุกขศาสัทยังไง ก็นี่ปารทานอาคารทเป็นแถวนี่ครัก็รูปูปารทานอาคารก็เบียดเบียนใช่ไหมเวทโนปารทานอาคารก็เบียดเบียนสันญูปารทานอาคารก็เบียดเบียนสังคารูปาร์ทานอาคารวิญญาณูปารทานอาคารขันทุกขันมีอัตถว่าเบียดเบียนอีกชื่อหนึ่งถ้าเราจะใช้คําว่าเข้าใจชัดก็คือผู้ฆ่าขันห้าทุกขันนี่ก็คือเป็น พวกข้าถ้าไม่มีขันห้าจะมีการตายหรือเพราะฉะนั้นขันห้าจึงเป็นผู้ข้าขันห้ามีณนะที่ใดแห่งหนตำบลใดที่ใดก็ตามขันห้าก็มีอัฏถาว่าเบียดเบียนเนียเ่ยนะเบียดเบียนความเพลดิเลดเพลินในขันห้านั่นแหละคืออายุหะเนี่ยนะนะอายุหนะตัวที่นำไปสู่วัตทุกขตัวที่นำไปสู่การมีขันห้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด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 นนะเห็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเลยก็คือเห็นอะไร <m> เห็นอริยสัจได้ยินเสียงก็ได้ยินอริยสัหจหายใจฮึดเข้าไปก็เห็นอริยสัจอีกโอ้แจ๋วมากเลยนะชิมมาหารอร่อยอร่อ ย, ออยก็เห็นอริยสัจอีกรับกระทบโพติภาพเนี่ยนะเนี่ยอากาศขนาดนี้เป็นยังไงก็นี่ก็คือ <m> เห็นอริยสัจเข้าอีกคิดเรื่องอะไรก็เห็นอริยสัจไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นมงคลมากเนนะ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 เมตตาเจริญกรุณาไปก่อนเพื่อจะช่วยให้การพิจารณาการตรึกในอริยศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะก่อนพิจารณาเป็นมานี่ก็ต้องพิจารณาเมตตาก่อนดีครับมานั่งเป็นแถวเลยครับก็ทําไม่อย่างนั้นนะก็จะโทสะก็จะเกิดคือการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่เจริญโทสะนะแยกให้ดีไม่ใช่โทสะแต่เป็นการเข้าไปรอบรู้ในสภาวะของอารมณ์นั้นตาม ตามเป็นจริงจริงๆว่าจริงๆริ ง, รงเขาเป็นเช่นไรนั่นะนะคือถ้าพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆจะรู้ว่านะนะขันห้าเบียดเบียนจริงๆนั่นนะขันห้าธรรมชาติของขันห้านั้นเบียดเบียนถ้าขันห้าไม่เบียดเบียนนะสงบเย็นสบายพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีในโลกหรอกแต่เนื่องจากว่าขันห้าทุกขันนั้นเบียดเบีบบยนถามว่าเบียดเบียนยังไงขันห้ามีขันไหนเที่ยงบ้างละ่ะมีไหม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 คือสภาพแบบวันนี้นะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะอันนั้นก็นับว่าเป็นความเบียดเบียนอย่างหนึ่งของขันห้าขันห้าตรงไหนที่มันนิ่งนิ่งอยู่เลยได้ไหมทําได้ไหมรูปประขันถ้ามันนิ่งเลยนะตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่าถ้ารูปประขันนะอันนี้สูตรหมอนะหมอเขาว่างอะ่รแบบตรงไหนนิ่งตรงนั้นเน่าอันนี้นถ้าเวทนาขันถ้ามันนิ่งนะมันได้ไหมเป็นไปได้ไหม ไม่ได้หรอกนะนะพันธ์ก็ยากขันห้าทั้งหลายเนี่ยมันธรรมชาติที่เบียดเบียนจริงๆทีนี้แต่ขณะขันห้านี่มันเบียดเบียนอย่างนี้นะแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละก็เพลิดเพลินในขันห้าเพื่ออะไรเพื่อขันห้าเพลิดเพลินในขันห้าเพื่อขันห้านะน่ะวันก่อนโยมก็บอกว่านี่หรือเพลิดเพลินในสีหรือเป็นเหตุให้มีตาไม่อยากเชื่อเลยนาะ เพลิดเพลินในเสียงหรือทําให้มีหูเพลิดเพลินในกลิ่นหรือทําให้มีจมูกอาหารอร่อยๆเนี่ยนะนี่หรือเป็นเหตุให้มีลิ้นอากาศพอดีสบายๆนี่หรือเป็นเหตุให้มีกายเราชอบคิดไปเรื่อยนี้หรือเป็นเหตุให้มีใจไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่แหละเราไม่เห็นอริยสัจนะมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตัวตัณหาเนี่ยนะในฐานะเป็นเหมือนอะไรเหมือนแม่ แต่แม่เดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้พ่อด้วยใช่ไหมนั่นแหละตัวกรรมนั่นแหละตัวร้ายกาดนักเล่เพราะว่าขอให้มีตันหาสักอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดึงเอากรำดวงที่สองถึงดวงที่หกแม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็เขาไปดึงมาได้ก็แล้วกันนะเขาเก่งขนาดนั้นนะตันหาเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินดูว่าไม่มีโทษแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมมีโทษฉะพระองค์จึงบอกว่าถ้าชนะตันหา ชนะทุกทั้งปวงถ้าสิ้นตันหาชนะทุกทั้งปวงแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้สึกรังเกียจในตันหาเลยนะเว้นไว้แต่มันหยาบหยาบที่สังคมรังเกียจนะนะถ้าอย่างนั้นอาจจะนึกรังเกียจบ้างแต่ถ้าเป็นความเพลิดเพลินทั่วๆ่วไปยากนักที่สัตว์ทั้งหลายจับรังเกียจนอกจากพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในะเวทาวิตตกระสูตรเนี่ย ความที่ท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้ามันร่มรื่นแล้วก็มองด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่น อ, นนอกุศลวิตกแค่นั้นท่านแยกได้เลยนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาได้อย่างยืดยาวต่อเนื่องโดยอาศัยเหตุอยู่เท่านั้นแหละนะแต่ว่าฉบับเราก็แปลไม่ดีนะจริงก็บอกว่าท่านไม่เคยคิดถึงหวังเลยนะไม่เคยคิดถึงหวังเลยไม่ใช่อากุศลวิตกประเภทนั้นแต่ในคัมภีร์ฉบับเนี่ยแปลไว้ไม่ดี ฉบับพม่ามีหน้าอักษร อ, อยู่ด้วยแต่ฉบับไทยไม่มีหน้าอักษรณก็แปลว่าไม้ใช่ไหมตกคําว่าไม่ไปคำหนึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยนะตั้งใจออกบวทประพฤติพรหมจรรย์มาไม่เคยคิดถึงบ้านด้วยอํานาจฉันทราคะเลยแ mm hmm. ม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรียกว่าอากุศลวิตกของท่านก็คือท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นภูมิภาคที่อ้ดูสวยอันนั้นแหละที่เรียกว่าเออนี่อกุศลวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราย่อมเป็นไปเพื่อ เบียดเบียนตนย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายย่อมเป็นไปเพื่อความคับแค้นย่อมเป็นย่อมทําให้ปัญญาดับไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่นะไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็จริงนะว่าเบียดเบียนพระองค์ใช่ไหมพระองค์มาสแสวงหาโพธิญาณไม่ได้สแสวงหาอากุศลวิตกเพราะฉะนั้นก็เบียดเบียนพระองค์ก่อนใช่ไหมถ้าพระองค์ไม่เจริเนขมะวิตกจนเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็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 เป็นกุศลสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะและเลึกเธอเนื้อเธอไออย่างอื่นเราก็นึกมาตั้งมากมายใช่ไหมไอรูปหล่อนี่คุณวิลาวันคิดมากี่ครั้งแล้วสุดหล่อตัวนั้นนะนะอ๋อนานหาทางออกจนได้เชออันไก็คิดถึงวันต่อไปก็แล้วกันระวังเน้อไปเกิดเป็นเห็บเป็นหาอยู่แถวนั้นจะลำบาก พันธะถ้าเราไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้บ่อยๆเนี่ยเสียหายมากนั่นะนั่นะเป็นโทษของการเกิดและสุดลอถ้าไม่เกิดมันไม่ทุกขนาดนั้นหรอกนะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟันก็โผูกอะไรก็เต็มทีแล้วนะแล้วก็สุดหลอนลั่นแหละอายุสิบห้าสิบหกปีแล้วนะถ้าเป็นมนุษย์ก็ ส, สักเก้าสิบเศษๆแล้วล่ะเนี่ยนะแต่นี่เป็นหมาก็เลยอายุสิบ้าหกปีนี่ก็หนักหนาสาหัสมากๆเลยแหละ คุณเวลาวันก็ใจดีใจดีเนี่ยนะหวงแหนมันมา ก, ก น, นะนะดูแลมันอย่างดีเยี่ยม น, ะนะนะอ๋อเอเอาเ อ, าเอามีเหตุผลจนได้อะไรเชื่อเลยอ้าวแล้วก็คิดดูนะไม่น้อมไปเพื่อเห็นเป็นปีละวนัทโถเลยใช่ไหมเออนะขนาดนั้นยังไม่น้อมไปเพื่อให้เห็นปีละวนัทโถพอแล้วคุณไม่ต้องว่าแล้วมารู้แล้วล่วนะนะ ทำให้ในอารมณ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันนะไม่ค่อยนึกไปในสภาพว่าคันห้าเบียดเบียนอย่างแท้จริงไม่ยอมน้อมนึกไปนะอันนี้ยกตัวอย่างอ่ะนะแล้วคุณในราวันจะเหงาสะก่อนคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันวัตถุทั้งหลายที่เรานึกถึงเนี่ยจริงๆวัตถุนั้นเป็นสภาพที่ปีรณนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปริณามะแปรปรวนล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือสังคตะ แต่เราก็ไม่ไม่ค่อยน้อมไปพิจารณาใคร่ครวญในในลักษณะนั้นเมื่อใครไม่ใคร่ครวนนี้จึงไม่เห็นชาติทุกชากราทุกพยาที่ทุกขมรณะทุกโสกปริเทวะทุกกระทมนันัตอุปาญาตอะไรเลยจึงอับประมงคลอยู่นี่แหละเหงือนกันนะจึงเลยได้อับประมงค ล, ลนะัเมื่อไหรที่เราคิดว่าการพิจารณาอริยสัจเป็นมงคลก็ต้องนึกว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่อับประมงคนนะนก็ อปมงคลแค่ไหนของจําได้นะที่สูตรหนึ่งในเสรีวะชาดกใช่ไหมถ้าท่านพลาดสัมมตานิยามคืออริยมรคในาศาสนานี้แล้วท่านจะเดือดร้อนเหมือนพ่อค้าชื่อว่าเสรีวะฉนันนี่ะเสีหยหายหลายแสนเลยว่างั้นนะเสียหายเป็นแสนแสนเลยแหละนี่ก็เหมือนกันนะวัด ต, ตะอันยืดยาวเนี่ยคิดหรือว่าเราจะมีบุญแบบนี้อีกครั้งหนึ่ ง, งนี่นะเมื่อกี้คุณเพียรก็ยังมาปารบธรรมมาใหม่จะเป็นยังไงเนี่ย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 เอามาด้วยเลย อ, อย่างเนะงี้ยนายยุ้งมันถ้าเห็นอริ ย, ยสัจสักอย่างเดียวนะโอยนรกมาได้กินอีกแล้วต่อไปเนี่ยนะนรกปิดโดยประการทั้งปวงอบายทุกติวินิบาปปิดเนี่ยนะคำว่านิยโตสัมโพธิปรายโย น, นิยโตนี่เป็นความแน่นอนของอริยมรรคสัมโพธิปรายโยนข้างหน้า บ, บรรลุอริยมรรคชั้นสูงแน่นอนเนี่ยนะโสตาปฏิยังค่าธรรมเนี่ยนะ มันก็พยายามที่จะไม่ทอดทิ้งในการตรึกระลึกถึงอริยศัสตร์เทอเนี่ยนะ